พระธรรมเทศนาแผ่นที่95าลำดับที่16โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่20เมษายน2559มีชื่อเรื่องว่าทำงานด้วยความระมัดระวังวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบ เมษายนพุทธศักราช2559วันนี้เป็นวันโกนวันปลงผมวันพวงนี้เป็นวันอุโบสถนะพระลูกพระหลานนะตอนเที่ยงอย่าลืมบอกกล่าวกันหลองโบสถวันพรุ่งนี้วันนี้เป็นวันไปชมหาลือกันเป็นกรณีพิเศษแต่เมื่อคืนก็ทราบว่าหมู่พกเพื่อนได้ ประชุมหารือการแบ่งงานกันแต่วันนี้หลวงพ่อในฐานะที่เป็นเจ้าของงานเจ้าของเรื่องเจ้าของวัดเจ้าของที่จะต้องรับรู้รับทราบเพราะนั้นหลวงพ่อจึงได้เรียกประชุมพระลูกหลานลูกๆทั้งหลายเพราะว่างาน ทุกวันเงินงานทุกคราวทุกครั้งทุกปีที่ผ่านม า, าดูดูแล้วก็ไม่ใช่งานจะให้คนใดใครผู้หนึ่งเป็นผู้รับภาระเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกองที่อยู่ในวัดที่เป็นลูกสิทธิ์ลูกหาและเป็นลูกของหลวงพ่อจะต้องเคียงบาเคียงไรกัน การต้อนรับแบ่งหน้าที่กันใครได้รับหน้าที่อะไรก็ให้พยายามทําให้สุดความสามารถถ้าว่าขาดตกบกพร่องหรือหากว่าไม่มีความสามารถจะทำได้ก็ให้บอกหมู่บอกเพื่อนอย่าให้เสียงาน ไม่ใช่ว่ามอบงานมอบหมายงานให้แล้วตัวเองไม่มีความสามารถก็เลยทิ้งปล่อยปละละเลยไม่สามารถที่จะบอกบอกหมู่บอกเพื่อนร่วมงานได้ก็เลยปล่อยผลให้สโชก็เลยเสียงานอย่าได้มีอย่างนั้นถ้าว่าองค์ไหนเป็นลักษณะอย่างนั้นหลวงพ่อเองจะไม่ไว้ใจตลอดไหวไป เราเผยจะเอาให้ออกไล่ออกจากวัดอีกต่างหากเพราะเห็นไรเพราะว่ามอบหมายงานให้แล้วถ้าว่าทําไม่ได้เราไป่ว่าหลวงพ่อไม่ว่าเพราะความขีดความสามารถมันต่างกันแต่ว่าเมื่อทําไม่ได้แล้วก็ต้องบอกอบอกหมู่พวกเพื่อนนะบอกมาบอกหลวงพ่อเองก็ได้เพราะนั้นให้พวกเราทุกๆท่านนะงานถ้าช่วยกันทํามันก็คงไม่หนักหนา เพราะพวกเราเคยผ่านงานมามากต่อมากแล้วนี่ก็อีกไม่กี่วันแต่ลูกพ่อเป็นห่วงก็คือเรื่องน้ำเรื่องน้ำทุกถังระบบของน้ำการใช้น้ำเปิดไปทางไหนยังไงอันนี้ต้องชัดเจนต้องดูให้ดีระบบของน้ำเนี่ยพราะเรื่องน้ำเป็นปัจจัยสาคัญยิ่งกว่าไฟถ้าว่าไฟดับ ก็ยังยังพอทํานองทําเนาแต่ถ้าหากว่าน้ํำไม่ไหลน้ําหมดน้ํามีอุปสรรคน้ํามีปัญหาเท่านั้นแหละเรื่องเป็นเรื่องใหญ่เลยห้องน้ําห้องท่าอะไรทุกชิงทุกอย่างสกรปรกรกดุง้ลงลังไปหมดเลยท่านเยเพราะฉะนั้นเรื่องน้ําเป็นปัจจัยสําคัญเพราะฉะนั้นใครเป็นผู้รับผิดชอบผิดชอบในเรื่องน้ําให้ดูถ้ามีปัญหาก็รีบบอก พอเราจะได้รีบแก้ไขพอบอ่อน้ำของเราที่เจาะขึ้นมาก็หลายบอ่อถ้าบอ่อไหนมีปัญหาเราก็จะได้เรียบลงทนุนจัดการให้มันใช้ได้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เรื่องไฟมีเพียงพอไหมจากไฟของเราหรือจะเราจะขอไฟจากที่อื่นเข้ามาอีกสัมรองเอาไว้อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องช่วยกันคิดนะ เพราะเรื่องไฟนี่ก็ถึงจะไม่ถึงจะไม่มีไม่สำคัญเหมือนกับน้ำก็สำคัญในเวลากลางคืนเพราะคนมันมากาถ้าว่าไฟดับกลางคืนก็พร้อมที่จะมันเป็นไม่ไม่ความปลอดภัยก็เกิดขึ้นได้ง่ายเพราะนั้นเรื่องอไฟก็จาเป็นอีกเหมือนกัน เพราะนันให้พวกเราทุกท่านนะให้ช่วยชวยกันดเูเรื่องของอย่างอื่นที่เราจะถวายพระก็ให้ช่วยกันดูอีกเหมือนกันพระเทระผู้ใหญ่มีองค์ไหนบ้างมีอะไรบ้างให้ช่วยกันดูพวกผ้าขาวโดยเฉพาะยังยิ่งเอาผ้าขาวนะั่นเน้นผ้าขาว เ, าเท่าลรยแล้วก็ผ้าอันไหนอีก ที่จะถวายมีอะไรไหมแต่ผมเองจะมีแต่เตรียมจตุปัจจัยสำหรับให้หมู่พวกเพื่อนเท่านั้นแต่ส่วนอื่นให้พวกหมู่พกเพื่อนเป็นผู้ช่วยกันคิดแล้วกับการพักพาอาศัยของแขกคนของพระของโยมอยาจะพักที่ไหนอันนี้เขาให้ช่วยๆกันคิดเราจะปรับตรงไหนเป็นที่พัก สำหรับให้คนพักพรให้คนพักอันนี้ก็ให้ช่ว ย, วยกันคิดอีกเหมือนกันเรื่องในครัวอาหารการบริโภคเครื่องของใช้ในครัวมีอะไรไหมที่พวกเราเคยใช้เรือทางนอกบริเวณเป็นยังไงปัดกวาดทําความสะอาดมีไหมที่เราจะต้องเอาคนชาวบ้านมาช่วยกันสิ่งเหล่านี้แหะใหช้ช่วยกัน ช่วยกันคิดนะถ้าว่าพวกเราแบ่งงานกันแล้วก็หลวงพ่อเองก็ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าเราเคยผ่านการผ่านงานมาแล้วแต่ถึงยังไงพระใหม่หรือเป็นพระใหม่พระเก่าก็าเถอะนะเวลาแขก ค, คนเข้ามาสู่วัดนะไปนั่งโต๊ตตตตตตตละเตะตามล้านไปเห็นพี่น้องมาแล้วก็ไปนั่งอยู่กับ กุ่ญาติดูดูแล้วมันไม่เหมาะสมนะนั่งตามร้านอาหงอาหารหรือว่าร้านกาฟงาแฟของเขานะ่ะโดยที่ไม่ส้ำรวมระวังตัวเองมุดไปเรื่อยเราเป็นพระนะไม่ใช่เราเป็นฆราวาสเราต้องวางตัวอักบุญกิริยาไรสิ่งเหล่านี้ก็ให้พระเก่าช่วยๆเตือนพระใหม่พระใหม่พระในวัดของเรา แต่พระมาจากทินอื่นผมเคยเห็นตะก่อนผมก็พระมาตอนเย็นผมก็ไม่ได้ให้พระสวดมนต์มีอะไรผมก็กล่าวอะไรต้อนรับศรัทธาญาติโยมที่มาวัดแล้วก็จบไปทีนี้พอมาเห็นพระเด่นเด่ น, ด, นด้านๆ้านที่พระมาจากวัดสาขาก็ไม่ใช่ย่อยอีกเหมือนกันท น, น้มาเห็นไปนั่ง ในลานในอะไรเขามันดูดูแล้วมันขวางหูขวางตาเลยนะมันดูแล้วมันไม่มันไม่เหมาะมันไม่ถูกมันไม่สวยงามไม่มีในสมณะสารูปที่จะไปนั่งอย่างนั้นคนพุกพ่านวุ่นวายทําไมจะไปหาคุกครีตีโมงกับศรัทธาญาติโยมถึงจะรู้จักมักคุก้นก็เถอะมันก็ไม่เหมาะสมที่จะไปนั่งอยู่อย่างนั้นเพราะนั้นให้พวกเรานะพระเก่าพระเก่าของเราเนะี่ย บอกกล่าวกันอย่าให้ผมได้เห็นนะอันนี้ผมบอกได้ชัดเจนไปยุ่งเหยิงวุ่นวายกับเขาเราเป็นพระมันเสียมันเสียไม่ใช่เสียตัวตัวท่านเองมันเสียวัดเสียการปกครองเสียครูบาอาจารย์เสียหมู่คณะเหมือนกับใช่ยูนิฟอร์มเนี่ยมันเสียยูนิฟอร์มของพระพุทธเจ้าอีกต่างหากมันไม่ใช่ตัวเองถ้าตัวเองเป็นใส่ชุดดํำ ชุดคารวาดแล้วจะทํำยังไงก็ได้แต่ น, นี้ใส่ชุดนี้เอ่อเราไปที่ไหนเราก็ต้องระวังระวังสำรวมระวังพอเราเป็นพระเราเป็นเนนนี่แหละอันนี้ก็ให้ระมัดระวังนะจะไปที่ไหนอย่างน้อยก็ไปเป็นหมู่องค์สองสามองค์ถ้าจะไปเอ่อที่ไหนอยู่ทางชาลานอกก็เหมือนกัน เ, เดินถ้าไม่จําเป็นอย่าไปหาเดินป่วนเปี่ยนถ้าคล้องผ้าได้ก็คล้องผ้า เว้นเสียแต่ว่ามันไม่เหมาะเอ อ, อเอาการนั่งทํางาน uh, เราจะนั่งนั่นก็ได้แต่ว่าการไปมาหรือว่าเข้าไปกับชุมชนมันต้องกรองผ้าแล้วก็จะไปหยอกไปล้อไปเล่นกันเวลาแขกคนมาจะ uh, ไปหาคุยกัน uh, ผมเห็นมูพวกเพื่อนบางครั้งนะจัดอาหารนะ uh, ตักอาหารนะจะไปหาคุยกันนะ คนที่เขามองดูเห็นไหมเหมือนตาสับปะรดตัวเองได้มองเขาไหมอากับกิริยาอย่างนี้มันน่าเคารพนับถือเลื่อมใสไหมที่เราทําลงไปนั่นสิ่งเหล่านี้ให้พวกเราสํารวมไปตรวจตราดูตนเองวัดนี้ไม่ใช่วัดของเราคนเดียวเป็นวัดของพระพุทธศาสนาเป็นวัดของร พ, พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านสอนอย่างไรให้สํารวมระหว่างไม่จําเป็นเออแต่อากับกิริยาอย่างนั้นแสดงออกอย่างนั้น ในสาธารณะอย่างนั้นมันไม่เหมาะอามันไม่เหมาะในเหตุการณ์ถ้าอยู่ตามลําพังเรานั่งคุยกันอะไรก็ได้แต่ไปถึงอย่างนั้นต่อถ้าส า, สาธารณชนอยู่ในเวทีอที่เขามองดูนะเราไปทําอากับกิริยากระตุงกระติงอทําอะไรมันดูดูแล้วมันเขาจะเขาคิดว่าไง เ, าเขามองให้พระองค้ทําไมอากับกิริยาเยนี้ นาทุเลต์จเจะว่าอย่างนั้นเขาไม่ใช่ว่าเขาจะยินดีปีดานะแต่เพราะท่านสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงเราต้องมองดูตนเองเสมออย่าหลงอย่าลืมตัวให้สำรวมให้ระวังพอยูนิฟอร์มนี่เป็น ย, ยูนิฟอร์มของพระพุทธเจ้าเป็นยูนิฟอร์มของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาประพฤติปฏิบัติมาเพราไม่ให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะ พระเนนทุกองนะพระทุกองคนะพระใหม่นะให้ดูให้ดูกันให้ตรวจตรากันให้ดูกันให้สำรวมระวังแต่พวกเราปฏิบัติถูกต้องเป็นธรรมถูกตามโลกสมมติถูกตามธรรมไม่ใช่ถูกถูกแบบกิเลสนะถูกตามธรรมกดธรรมธรรมก็มีแล้วสำรวมระวังไม่ให ใจของเราอออกไปนอกโลกนอกทางเออากาศอากัศกิกริยาไม่สํารวมหลวงตามหาบัวไม่ได้นะท่านมองเห็นผ้านเะนี่ะมองมองเห็นแล้วเออถลิดทลายเหลือบหน้าเหลือบหลังนะัออ่นนะพระองค์นั่นนะมันดูอากัศกิริยามันไม่มีสมณะสรูปเลยนั่นนะดูใช่ไหมดูหัวใจตัวเองใชทําไมมันไม่มีสติเหรอ โดยมากหลวงตาท่านไม่ได้อหลวงตามหาบัวท่านไม่ได้ปล่อยปะละเลยนะแต่หลวงพ่อเนี่ยต้องมองมองดูก่อนพอมองมองดูแล้วก็นะอก็ดูดูแล้วก็ถ้าจะตะเบงบอกออกไปเลยก็ยังไงหลวงพ่อต้องระวังระวังถ้าเป็นหลวงตามหาบัวนะ่ะท่านไม่วาเออ่อท่านจะฉาในที่ประชุมเลยละ่ะฉาในเหตุการณ์เลย เดี๋ยวนั้นเลยเท่าออกเหตุการณ์แล้วมันฟังเลยแล้วมันไม่ถึงใจถ้าอยู่ในเหตุการณ์มันถึงใจนะมันมองเห็นแล้วเอาจัดจุดนั้นเลยนี่แหละอันนี้ก็ให้พระทุกองนะช่วยๆกันให้แบ่งเบากันหมู่พวกเพื่อนแบ่งงานอะไรให้ทำทำแต่ถ้าหากว่าองค์ไหนบอกแบ่งงานให้ทำแล้วไม่ทำเรียกว่าหลบงาน ให้หัวหน้างานมาบอกเราผูอพากผู้ใหญ่ท่านน้อยท่านท่านหน่อยท่านรุนท่านเนี่ยเชียงท่านตั้นเนี่ยหรอพวกนั่นพวกพากผู้ใหญ่บอกอยไปปล่อยปล่าเลยมันเสียทำมันเสียมันไม่ใช่เสียท่านองค์เดียวนะไม่ใช่เสียแต่ท่านองค์นั้นมันเสียทั้งวัดเสียทั้งหมู่ทั้งคณะเสียทั้งผมด้วยผมเป็นหัวหน้าว่า หลวงพ่อเองไม่แนะนำสั่งสอนไม่บอกกล่าวไม่ตักเตือนลูกน้องเหรอทำไมถึงทำอย่างนี้ดูดูแล้วมันไม่น่าดูเลยอากับกิริยาอย่างนี้อย่าได้มีให้พวกท่านทั้งหลายดูแลกันเมื่อเราใช้งานเราก็ต้องใช้งานในเมื่อเราปฏิบัติภาวนาเราก็ปฏิบัติภาวนาเหมือนกับยางสตต๊กนะเวลาเราหยุดเฉยๆเราก็เน่งดูตรวย ตรวจตราดูตนเองไม่ต้องมองที่อื่นในเมื่อมีข่าวจำเมื่อข่าวจำเป็นออกไปจะได้ใช้เราก็ต้องออกไปใช้ในชุมชนสังคมกับใครใช้ให้ถูกต้องให้อยู่ในสัมมาคารวะให้มีสติสัมปชัญญะในการกระทํานั้นๆให้มีสติในการทํา ในการแสดงออกอย่าเหมือนหุ่นยนต์ทำอะไรแบบเฉ ย, ยๆช้ชาไม่ใช่เรื่องของพระนะอย่างอื่นก็ให้ช่วยๆกันดู น, นั่ น, นะพวกเรื่องพวกตงพวกเต็นพวกง พ, พ, พวกไฟแต่ให้นำมัดระวังนะเรื่องไฟนะการทำสายไฟหรือไฟอย่าให้มันมีการช็อตใส่เต็นอะไร ซดคู่ซดคนไม่ได้นะระมัดระวังมากๆตัวนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องนะช่วยๆกันดูพะจายไฟเราเราใช้มามากใช้มาหลายครั้งบางทีอาจจะตะปูหรือว่าเข็มกลัดมันอาจจะรั่วออกไปเราพันไม่ดี อ, อ, อาจจะซดคู่ซดคนถึงกับลมหายตายมันเสีย อย่างมากเลยนะให้ระมัดระวังหน้าพวกไฟนะาหลวงพ่อก็ผมหลวงพ่อเองก็เป็นห่วงเหมือนกันนั่นแหละเรื่องไฟนี่นะแล้วก็พร้อมกันอในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่หน้าสิวหน้าขวานหน้าลมมรสุมก็น่าคิดอีกเหมือนกันควรจะมัดขาเต็นท์ยังไงควรจะมีอะไรเออ สมอยังไงให้ช่วยๆกันคิดเหมือนกันนะจุดนี้หราหลวงพ่อก็ไม่สามารถที่จะดูในเรื่องละเอียดถึงขนาดนั้นได้แต่ตามวิจิงก็เป็นห่วงสรุปแล้วก็คือเป็นห่วงเต็นอย่างนี้สมมติว่าถ้าเรายังถ้าเรายังยังไม่มั่นใจเราจะไปพึ่งมัดก็ได้ผมว่านะในความรู้สึกหลวงพ่อนะ สายมัดมันเคียงมัดล้มหลวมก็ได้ไม่ต้องมัดเลยก็ได้เอาวางไว้ก่อนถ้ามีลมมีอะไรมามันจะออกไปก็ให้มันออกไปถ้าวัาเรามัดคือไปมันมันกระโดดได้สินะอย่าะพอมันแน่นเลยกับตัวเต็นท์แต่เราไม่ได้มัดเราคุมไว้เฉยๆคุมไว้เฉยๆพอใกล้วันงานเราจะได้ใช้มันยังค่อย ไปช่วยกันมัดอย่างนั้นดีไหมถ้าว่าเรามัดไว้ก่อนเวลาพายุเข้ามาเนี่ยมันกระโดดขึ้นมาเกิดเสียหายได้ง่ายๆเหมือนกันนะที่เห็นหลายๆครั้งหลายๆแห่งแต่ในวัดของเราก็ไม่เคยล่ะตั้งแต่ทำมานี่ไม่เคยไม่เคย ท, ที่จะมีปัญหา แต่ที่ยังเขาไม่ควรประมาทควรจะเตรียมเตรียมพร้อมไว้เหมือนกันเะาคุณพ่อว่านะอันนี้ก็ช่วยๆกันคิดเถะนะแต่เราไม่มัดไว้กับปิดปิดไว้มัดหรือมัดสักตัวสองตัวก็ได้เพื่อมาให้เป็นรู้จักว่าตัวมันอยู่ที่ไหนอถ้าว่าลมกระแทกมาเนี่ยเออหลุดไปสักข้างใดข้างหนึ่งมันก็หล่นอยู่ข้างใดข้างหนึ่งมันก็ไม่เสียหาย แ่ว่าใกล้ๆวันเราจะค่อยมามัดให้ทุกตัวเพราะมันเห็นหลายแห่งแล้วไงหน้าเนี่มันหน้ามรสุมได้ยินข่าวว่าพายุจะเข้ามาอีกต่างหากในช่วงนี้เพราะนั้นขอให้พวกเราช่วยกันคิดอันนี้เป็นแนวความคิดที่หลวงพ่อคิดคิดหลวงพ่อก็วิตกกังวลอย่างที่ว่านั่นแหะแต่ก็เรื่องง้ำเรื่องน้ําห้องน้ำํำไปไปช่วยกันดูทกห้อง ตรวจรายละเอียดแล้วก็ห้องน้ําทุกห้องมีสายยางไหมที่หลวงพ่อเคยพูดเคยกล่าวให้ฟังสายยางมันต้องเลยหัวซ้วมไปประมาณอย่างน้อยจะคืบสองคืบหรือศอกหนึ่งเวลาใส่เข้าไปนะ่อไม่ใช่ว่าใส่ให้สั้นๆไม่ใช่ใส่ให้ยาวให้ใช้เวลาเปิดเข้ามาให้ใช้ได้อาบน้ําได้ล้างหัวส้วมได้ล้างซ้วมได้ สายยางมันมีประโยชน์ทางความไม่มีบางทีคนเอาขันน้ําออกนะก็เอากล่ อ, องน้ําออกไปเลยจะทํายังไงแต่สายยางเนี่ยก็ต้องมัดให้แน่นอีกต่างหากนะถ้ามีปอกเปาะมัดอย่างที่ว่านะมีอะไรขันให้แน่แนๆเอาเข้าสวมลึกๆขันแน่แนๆให้มันแน่นนอนไปเลยให้ช่วยๆกันดูนะแล้วก็ทางบ้านสวนอีกเหมือนกันผมไปเห็นแล้วกันนะ ประตูหน้าต่างรู้สึกว่ามันปิดไม่ค่อยอยู่นะบางทีเหมือนกับประตูตกลักษณะอย่างงั้นแหละให้ช่วยๆกันดูแล้วก็เมื่อไปตูแล้วก็เอานั่นนะเอาห้องไหนห้องไหนที่มันมีปัญหาพูดไปตรวจดูแล้วก็บอกให้ช่างไปดูแล้วก็บอกพระที่ที่เป็นครูบาอาจารย์ที่เป็นช่างที่ดูดูแลช่างได้ เออห้องนั้นเป็นยังมีปัญหานะปิดไม่ปิดประตูไม่ได้นะประตูอาจจะบิดก็ได่อา่าเพราะว่าลูกกุญแจมันเข้าไม่ชนิดปิดไม่เข้าเลยลูกกรอนก็ปิดไม่ได้ตกสิ่งเราเนี้ผู้ที่เขาไปตรวจต้องตรวจให้ดูให้ดีเอา่าพอว่าลูกกรอนเมื่อเข้าไปข้างในแล้วจะทํำยังไงถ้าลูกกรอนใส่กรอนไม่ได้มันไม่ไม่ปลอดภยัย สำหรับผู้ที่เขาไปใช้ไม่สบายใจถ้าเขาเป็นมีสองคนเขาจะยังชั่วพวกเข้าไปคนหนึ่งเข้าไปคนนึงจะยืนเฝ้าแต่เข้าไปคนเดียวล่ะสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยให้พวกเราเป็นเจ้าของบ้านต้องดูแลนะเรื่องห้องน้ําห้องถ่ายเรื่องความปลอดภัยของแขกคนพี่น้องลูกหลานที่มาเขาก็มาไว้เนื้อเชื่อใจพวกเรานะที่เขามาเคาลบนับถือเลื่อมใสพุทธศาสนาเขาอยากได้บุญแต่เราเป็นเจ้าของบ้านแล้วเขต้อง ดูความรอบครอบให้ความอบอุ่นกับญาติธรรมของพวกเราตลอดถึงคนมาช่วยการช่วยงานก็บอกอาหงอาหารการบริโภคขาดเหลือขาดตกทั้งในครัวคอยช่วยช่วยกันบอกทั้งในครัวแต่หลวงพ่อมีแต่บอกแนะนำบอกกล่าวเท่านี้แหละส่วน อยู่ในหน้างานเป็นหน้าที่ของพวกท่านทั้งหลายนู่นละท่นเี่เมื่อจบงานเมื่อไหร่หลวงพ่อจึงจะรู้ว่างานมันขาดเหลือขาดตกอย่างไรบางปีหลวงพ่อยังจําไม่ลืงกระทั่งทุกวันเลยให้ช่วยๆกันดูนะ้าน้ําู่นไปปิดน้ําไว้ทั้งข้างในน้ําในห้องน้ําไหลไม่ไม่ไหลจนพอแรงพอนะว่าน้ําไม่ไหลน้ำไม่ไหล ที่ไหนได้ไปลืมเปิดโอ้โหเราว่ามันแย่มากๆเลยนี่แหละให้พวกเราท่านทั้งหลายนะใครทำหน้าที่อะไรให้ตัวตราให้ดูให้ดีเปดเปิดน้ำจะเปิดที่ที่ไหนมันจะเสียหายไหมถ้าเปิดออกมามันจะเป็นยังไงปิดตัวไหนเปิดตัวไหนโวกที่รู้เรื่องนั่นนะมันไม่ใช่จะรู้เรื่องทุกคนหลวงพ่อไม่ไม่รู้เละ เรื่องระบบน้ำเดี๋ยวนะี้แต่สมัยก่อนหลวงพ่อเป็นผู้ต่อน้ำเองเป็นผู้ดูแลเองหลวงพ่อรู้ว่าประตูน้ำ น, นมันไปไหนอย่างไรรู้ทั้งหมดในวัดแต่ทุกวันนี้เราหลวงพ่อก็ปล่อยให้พวกท่านทั้งหลายเป็นคนดูแลแต่กหลารรุ่นมาอีกเหมือนกันไม่รู้ว่ารุ่นไหนตรุ่นไหนจึงยังไงก็ทางวาพวกท่านทั้งหลายช่วยกันสังเกตก็จะรู้ได้ ว่าประตูน้ำเปิดไปทางไหนน้ำมันมาทางไหนใครเป็นคนดูแลน้ำเดี๋ยวนี้น้ำของเราเป็นยังไงมันเพียงพอไหมถ้าไม่เพียงพอทำยังไงมีวิธีการมีมไหมบ่ออื่นมีไหมเลือกเครื่องสมาร์เหมือนกันเครื่องสมาร์เราควรจะเตรียมไว้อีกเหมือนกันนะอย่างน้อยสักสองถึงสามเครื่องเอาไว้ เพเราจะต้องตอนรับกระสายจางอีกเหมือนกันถ้ามีความจําเป็นขึ้นมาเมื่อไหรกระทันหันเราก็คลี่ออกมาใช้ได้เลยพอคนหมู่มากเราก็ต้องยอมเสียน่ะละยอมเสียเครื่องที่เครื่องสูบน้ําขึ้นมาจากบ่ออย่างที่หลังสลาของเราเนี่ยเป็นไงบ่อใ้ใช้ได้ไหม มีความจําเป็นก็นเอาใส่ใส่ทางน้ําอยู่ที่หอที่โรงน้ําร้อนของเราเนี่ยก็สูบเข้าไปก็ยังได้อีกแต่มีความจําเป็นมันใช้ได้ทั้งหมดน่ะเพะื่อให้พวกเราช่วยๆกันดูนะเรื่องน้นะํารงพ่อเป็นห่วงเรื่องน้นะํนะ า, า, านะดูน้พะโลคุณพันธ์อยู่ด้วยกันนะอย่าให้มีปัญหานะอยู่ด้วยกันอย่าไปใช้อารมณ์นะเรามาละกิเลสโลภโกรดหลงนะ มาลักิเลสราคาโทสะโมหะมาอยู่วัดนั่นจะไปใช้อารมณ์โทสะไม่ได้โกรธโมโหโกทาไม่ได้นะชกต่อยตีกันไม่ไดนะ้เสียประวัติของตอนเองจนถึงวันตายนะมาบวชเป็นพระกรรมถานอยู่วัดป่านาคําน้อยอยู่กับหลวงพ่ออินมาต่อยมาตีกันนะเสียประวัติได้ยินไปทีงไหนอายไปทีงนั่นอายก็ถึงวันตายเนทะ่าแก่มาแล้ลึกขึ้นมาแล้วก็ตาย เราไม่น่าจะทำเสียประวัติอะไรไม่ดีเท่าความอดทนให้อดทนนะมีอะไรเกิดขึ้นต้องหาผู้ใหญ่หาครูบาอาจารย์อย่าไปตัดสินใจไปต่อยไปตีเย็นไม่ได้นะเสียประวัตินะจำรวมระวังขันติคือความอดทนถ้าอดทนไม่ได้ก็บอกมันไม่ใช่ประเทศไทยไม่ใช่มันแคบ กว้างขวางเาง ไ, ปไปที่ไหนก็ไดอ้อย่าไปทำความชั่วนะทามานชั่วนะเสียหา ย, เ, หยเข้าไปอยู่ในคุกนะยิ่งแคบเทไงเพราะนั่นแหละใหละมัดระวังพระลูกพระหลานลูกพ่อมแต่เมตตาสั่งสอนนั่พระลูกพระหลานเป็นพระที่ดีเป็นคนดีมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีมีเมตตาต่อกันมีความเ อ, อื้อเฟื้อเ อ, อื้ออารีต่อกัน มีอะไรแบ่งสันปันส่วนแบ่งกันอยู่กันชั้นถ้ามันขาดเหลือขาดตกอะไรบอกมาจะถุกปัจจัยที่ได้มาหลวงพ่อไม่ได้เอาไปให้ผู้ใดใครก็ดูแลพระสงฆ์นะถ้าว่าพระสงฆ์เพียงพอแล้วคือเอาแจกจ่ายคารวะไปทำบุญทำทานเนะพวกเรานะหลวงพ่อก็แจกไปทำบุญทำทานไปสงเคราะห์อนุเคราะห์ในวัดไหนที่จำเป็นที่จะต้อง ได้ใช้หลวงพ่อไปถวายผาแดงอย่างนั้นหรือถวายหลวงปูป่บุญเมรเนะี่ยที่ท่านจะได้สร้างเจดีก็เป็นบุญเป็นกุศลสาหรับพวกเราอีกเหมือนกันนะนะั่นแหะสร้างสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียน เ, เกิดประโยชน์ถ้ามันวัดวัดของเรายังขาดเหลืออยู่เอเ้าช่วยวัดของเราวัดของเราก็รู้สึกว่ามันก็ไม่มีอะไรที่จะขาดตกบกพร่องมีแต่เหลือเฟือฟุ่มเฟือย ต่างหากเผลอเผอเมื่อเป็นคารวาสเรายังไม่ได้กินน้ำถึงขนาดนี้ต่างหากอันนี้น้ำของเรามันเพียงพอเป็นคารวาดเราต้องซื้อน้ำแก้วหนึ่งเท่าไหร่ขนาดน้ำเปล่าใสน้ำแข็งเฉยๆก็ยังเป็นเงินเป็นแป๊ปซี่โคา้าน้ำส้มกงไปกันเท่าไหร่ อาหารการบริโภคตอนเช้าก็เหมือนกันถึงจะไม่อาหารตามสั่งก็เถอะมันก็มีอยู่มีฉันมีหลักมีหลักรถหลายอย่างถ้าเป็นคารวาสถ้าซื้อแกงก็ได้แต่แกงซื้อก๋วยเตี๋ยวก็ได้แต่ก๋วยเตี๋ยวทนะอันในครองเราไม่ไม่รู้อะไรตัวไม่อะไรมีทั้งผักติ่วมีทั้งผักน้ามีทั้งมะเขือเทศมีทั้งมะเขือมีทั้ง ผักอะไรตัวผักอะไรตั้งแจวหลายหลายลหลายชาติถึงจะไม่อาหารตามสั่งก็เถอะนะเราก็มนะีฉันพอประทังชีวิตไปฉันไปไล้ภาวนาทนะ่าไปกินแล้วนอนฉันให้ภาวนาบำเพ็ญคุณงามความดี